สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิยาพิบารนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ใน1พงพงกษัตริย์บทที่7ครับ1พึ่งพงกษัตริย์บทที่7เนื่องจากว่าในข้อที่1จนถึงข้อที่12นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการสร้างพระราชวังของกษัตริโซโลมอนแต่ผมจะขออนุญาตพี่น้องในวันนี้ก็คือเราจะอยู่ที่พระวิหารครับซึ่งการตกแต่งพระวิหารนั้นได้บันทึก อยู่ในข้อที่13จนกระทั่งถึงข้อที่51นะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของบทที่7นี้พี่น้องครับเนื่องจากว่าจำนวนข้อนั้นค่อนข้างยาวมากผมจึงอยากจะขอสรุปเรื่องราวเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับการตกแต่งภายในพระวิหารครับกษัตริย์โซโลมอนนั้นก็ได้ให้นำคนคนหนึ่งชื่อว่าหุราม มาจากเมืองไทระัะและแม่ของหูรามนี้เป็นหญิงไม้จากเผ่านับทารีแต่ส่วนบีดานั้นเป็นชาวเมืองไทระและเป็นช่างทองสัำริดหูรามซึ่งเป็นลูกของพ่อที่เป็นช่างทองสัำริดนั้นก็มีความเชี่ยวชาญครับและมีฝีมือในงานทองสำริดทุกอย่างเขานั้นก็ถูกนําเข้ามาเข้าเฝ้าโซโลมอนและทํางานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายพี่น้องอย่าลืมนะครับว่า แบบต่างๆของพระวิหาร น, นี้ก็ได้รับมาจากพระเจ้าครับพระเจ้าได้ทรงให้กษัตริย์ดาวิดได้รู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าและแบบแปลนต่างๆกษัตริย์ดาวิดก็ถ่ายทอดแบบแปลนนั้นมาถึงกษัตริย์โซโลมอนครับผลงานของฟุรามนั้นเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่อลังการเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นมือดีที่สุดแล้วในสมัยโบราณสมัยของโซโลมอน ที่จะทำการหล่อเสาหานเสาหานนั้นนะครับก็คือเสาหานั้นตามพระคำพีในข้อที่15สูง18ศอกครับเส้นรอบวง12สอศอกและหัวเสาทองสำริดก็สูง5ศอกซึ่งต้องหลอครับหัวเสาทองนี้ใช้สำหรับติดบนยอดเสาหานแล้วก็ยังมีตะข่ายโซ่รยาประดับหัวเสาเสาละเจ็ดสายครับ ก็ทำผลทับทิมสองแถวติดรอบโซลยะประดับหัวเสาทั้งสองต้นนี่คือความสวยงามความอลังการครับแล้วก็ที่หัวเสาหานั้นที่มุกหน้าตกแต่งเป็นรูปดอกดิลลี่สูงสีสอกแล้วก็บนหัวเสาทั้งสองต้นเหนือบัวคว่ำถัดจากโซลยะไปก็เป็นแถวผลทับทิม200้ผลโดยรอบเขาตั้งเสาหานทั้ง2ไว้ที่มุกหน้าของปริหารเสาทางใต้ ตั้งชื่อว่ายาคินเสาทางเหนือตั้งชื่อว่าโบอาพี่น้องครับประเดี๋ยวถ้าพี่น้องคลิกเข้าไปดูใน YouTube นะครับซึ่งผมจะส่งมาให้พี่น้องจะเห็นว่าความสวยงามของเสาหานก็คือมีชื่อว่าโบอาดและยาคินนั้นสวยขนาดไหนหัวเสานั้ น, ก, นก็มีรูปทรงเป็นดอกกิลลี่ก็นี่คือเสาหานครับนอกจากเสาหานนะครับภายนอกพวิหารนั้นก็ยังมี ขันสาครขันสาครนนี่นะครับพี่น้องคืออ่างใส่น้ําขนาดใหญ่ออกแบบมาเพื่อที่จะให้ปู่ฤหิตใช้ล้างชำระตามระเบียบพิธีขันสาครนี้ก็ตั้งอยู่ในลานพระวิหารใกล้กับแท่นบูชาครับปูโรหิตจะล้างชำระที่นั่นก่อนจะถวายเครื่องบูชาหรือเข้าไปในพระวิหารซึ่งอันนี้ได้บันทึกอยู่ในพระธรรมอภยยบบทที่30 อันนั้นเป็นพิธีกรรมต่างๆของการชำระล้างขันสาครนนี้จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นโอ่งน้ำขนาดใหญ่ครับแล้วก็โอ่งน้ำเนี่ยวางอยู่บนวัวสิบสองตัวครับวัวสิบสองตัวก็หันไป4ทิศครับทิศละ3ตัวหันไปทางใต้3ตัวหันไปทางเหนือ3ตัวหันไปทางตะวันออกตะวันตก3ตัวนะครับนอกจากขันสาคนนะครับตั้งแต่ข้อ27 เราก็จะเห็นเรื่องราวของการสร้างแท่นเคลื่อนที่นะครับแท่นเคลื่อนที่นี้มีทั้งหมด10แท่นครับแท่นเคลื่อนที่นี้ก็เหมือนกับติดล้อครับใช้วางอ่างน้ําซึ่งใช้ล้างส่วนต่างๆของสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชาอ่างเหล่านี้นะครับวางอยู่บนแท่นเคลื่อนที่ก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้หากจําเป็นที่ต้องนําไปใช้ที่อื่นนอกจากนั้นแล้วนะครับ ในข้อ40ถึงข้อ47ก็จะพูดถึงเครื่องใช้ไม้สอยทองสทธิดที่อยู่ในพระวิหารสำหรับเครื่องใช้ไม้สอยทองสำริดของหุรามอาจดูแปลกพี่น้องครับมันมีความหมายในแต่ละอย่างแต่ละอย่างในคริแสแจักรของเรานทุกวันนี้เราก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆมากมายครับบางคิสตจักรจะมีกระจกสีบางคิดจักรก็จะมีไม้กางเขนทรมาร ทำมาศหนึ 1, ่งทำมาศบ้างทำมาศสองทำมาศบ้างเราต้องใช้น้ำเสือเพลงเราต้องใช้โต๊ะมหาสนิทสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ล้วนแต่เป็นการช่วยในการนมัสการเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบในการนมัสการพระเจ้าอุปกรณ์ในพระวิหารนั้นก็จะมีหลายอย่างครับแต่จุดประสงค์การนมัสการพระเจ้าก็ไม่เปลี่ยนแปลง น, นั่นคือการถวายเกียรติสูงสุดแด่พระเจ้าและถวายคําสรรเสริญและทําอธิษฐาน แด่พระเจ้านั่นคือสิ่งที่เป็นหัวใจของการนมัสการสรุปแล้วนะครับพี่น้องครับหุรามเนี่ยนะครับทำงานทั้งหมดที่ขษัตย์โซโลมอนมอบหมายในพระวิหารของพระเจ้าเนี่ยสำเร็จครบถ้วนเนี่ยมีอะไรบ้างโดยสรุปนะครับตั้งแต่ข้อ41จนถึงข้อที่45ครับเสาหาร2ต้นหัวเสารูปบัวคว่าสองหัวตาข่ายประดับหัวเสาสองชุด ทับทิม400ผลและสำหรับตะข่าย2ชุดแท่นทองสำริด10แท่นพร้อมอ่างขันสาคอวัว12ตัวที่รองรับขันหม้อทับพีชามประพมสิ่งนี้ครับเหล่านี้เป็นของที่หุรามทำถวายกษัตริย์โซลมอนสำหรับพระวิหารขององค์พู้เนเจ้าใช้ทองสำริดขัดเงาครับและหล่อด้วยเบ้าดินเหนียว สถานที่ที่หล่อนั้นก็คือใช้ที่ราบแห่งแม่น้ําจอแดนระหว่างเมืองสุคศกับเมืองสาเรทานขา้าราชบริพารเนี่ใช้ทองเยอะแยะมากมายครับจนกระทั่งว่าช่างไม่ไหวไม่ได้ต้องช่างน้ําหนักเลยครับเพราะว่ากษัตราชบริพารบอกว่าจัดเต็มจัดเต็มในที่นี้ก็คือว่ามีจํานวนมากมายครับมากมายจนกระทั่งไม่ทราบน้ําหนักที่แน่นอนของทองสำริด นอกจากนี้แล้วนะครับโซลมอนก็ยังสั่งให้ทำเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ในพระวิหารของพระเจ้าก็คือแท่นบูชาทองคำโต๊ะทองคำสำหรับวางขนมปังหน้าพพักและยังมีคันประทีปทองคำที่ไว้ในด้านหน้าอภิสุทธิสถานด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านละห้าขันรวดลายดอกไม้สวยงามตะเกียงและคีมทาด้วยทองคาขันทองคาบริสุทธิ์กันไกตัดไส้ตะเกียงนะครับ อ่างประพรมจานชามกระถางไฟเบ้าทองคาของประตูห้องชั้นในสุดคือประตูอภิสุทธิสถานและของประตูห้องโถงกลางของพระวิหารสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นเรียกว่าทาด้วยทองคาครับทำด้วยสิ่งที่มีค่าทั้งนั้นทาด้วยทองสำริดเมื่อเสร็จงานทั้งหลายครับโซมอนก็นำเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่ดาวิดกษัตริย์ พระราชบิดานั้นถวายไว้เพื่อการนี้มาเก็บไว้ในคลังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือจบในบทที่7ครับพี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องได้ดูใน YouTube นะครับพี่น้องลองเปิดเข้าไปดูจะเห็นถึงภาพต่างๆที่สวยงามทำให้เกิดมโนภาพในความคิดของเราเราจะเข้าใจในพระธรรมหนึ่งพงศ์ัตว์บทที่6และบทที่7ได้เป็นอย่างดีขอเรียนเชิญนะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน